Mm hmm. ใจนี่เป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าใจนั้นเปิดช่องให้กิเลสครองใจกิเลสก็กลายเป็นใหญ่แทนและถึงตอนนั้นใจก็ต้องร้อยตามกิเลสนธรรมชาติของใจโดยเฉพาะใจที่ไม่มีการอบรมก็จะร้อยตามกิเลสแล้วก็ยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อม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 อยู่ต่อหน้าต่อตาก็อาจจะสรรหาเหตุผลมาอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์บ้างหรือว่าช่วยเขาแล้วเราได้อะไรงั้นก็คิดอย่างนี้มีข้ออ้างอย่างนี้นะก็เมินหน้าหนีหรือบางทีก็สร้างอุบายเช่นคนที่นั่งรถ รถไฟฟ้ารถใต้ดินมีคนแก่มีเด็กหรือคนท้องมายืนอยู่ก็แก้งทำมันไม่เห็นแก้งเป็นหลับอันนี้เรียกว่ามันตามกิเลสอันเดียวนี้ก็เห็นเยอะนะการตามกิเลสหรือถูกกิเลสจูงไปไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความหล ง, งการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการต้านกิเลส ไม่ใช่ตามกิเลสจะเริ่มต้นด้วยการต้านกิเลสเริ่มตั้งแต่ทานการให้ทานเนี่ยมันต้านกิเลสโดยตรงเลยคือทานเนี่ยเป็นไปเพื่อการให้ธรรมชาติของคนเราก็โดยเพราะคนที่ไม่มีการศึกษาก็จะหวงก็จะแหนก็จะพยายามสะสมเก็บให้มากไม่อยากแบ่งไม่อยากปัน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 การให้ทานเนี่ยคือการต้านกิเลสฝ่ายโลภะโดยตรงแต่ว่าระยะหลังเดี๋ยวนี้เนี่ยเราให้ทานก็ไม่ถูกต้องคือให้ทานแล้วก็ไปเพิ่มพูนกิเลสว่าบริจาคหรือทำบุญสิบบาทก็หวังให้ถูกลอตเตอรี่เป็นล้า น, นให้ทานแต่ละอย่างทำบุญแต่ละอย่างก็หวังรวยหวังมั่งมีอันนี้มันไม่ใช่เป็นการต้านกิเลสและมันตามกิเลส การทำบุญอย่างนี้ก็จะได้ผลน้อยการให้ทานแบบนี้ก็จะไม่ได้ช่วยทำให้จิตใจโปร่งเบาเพราะว่ามันไปพอ่อผูนกิเลสแต่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยค่อยคอยลดค่อย ค, อยคอยบันเทาอํานาจของกิเลสทีละน้อยทีละน้อยนอกจากทานแล้วศีลก็เหมือนกันนะโดยเพราะศีลห้านี้ก็ชัดเจนมันเป็นการต้านกิเลสส่วนที่เป็น โลภะโทสะโมหะโทสะคือความโกรธอยากจะทำร้ายอยากจะเบียดเบียนอยากจะเอาชีวิตเขาก็มีศีลมาข้อที่หนึ่งมาคอยกั้นเอาไว้ข้อที่สองอยากจะขโมยอยากจะได้อยากจะช่วงชิงหรือข้อที่สก็เหมือนกันอยากจะแย่งชิงคนรักของเขาหรือลูกสาวของเขาก็มีข้อ2ข้อสามนี้ต้านเอาไว้ข้อสี่ข้อห้าก็เหมือนกัน ศีลแปละหรือศีลสิก็มีจุดหมายทำนองเดียวกันก็คือเพื่อต้านไม่มีความอยากจะหาความสุขทางการนะก็มีเรื่องการกินข้าวมื้อเดียวการไม่ไปประดับประดาด้วยเครื่องหอมหรือว่าดูฟังสิ่งบรรเทาเ ร, อเรืองรมหรือการฟ้อนรำทั้งหมดนี้ก็เป็นการต้านกิเลส จากทานแล้วมาศีลจากศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่ยนะมันก็มีสองส่วนเรียกว่าสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาหรือว่าสมถกรรมฐานหรือว่าวิปวัสนากรรมฐานสมถกรมม ร, ถกรมฐานนี่ก็ยังเป็นการต้านกินเลสอยู่นะแต่เป็นกินเลสที่ละเอียดอ่อนลงไปเช่นเ ม, มเมื่อมีโทสะเมื่อมีโทสะก็เอาเมตตาเนี่ย หรือกรุณาเนี่ยเข้ามาข่มเข้ามาบันเทาความโกรธเวลาเราโกรธเนี่ยเราจะร้อนพอเรานึกถึงความปรารถนาดีหรือแผ่ความปรารถนาดีออกไปเนี่ยใจก็จะเย็นเหมือนกับว่าเอาน้ํำมาดับไฟหรือเวลาเกิดตัณหาหรือเกิดราคะขึ้นมาวิธีการในเชิงสมมติฐานคือว่าพิจารณาอสุภกรรมฐานก็จะทําให้ ใอ้ใจที่เกิดความอยากหรือราคานี่มันฟอ่อลงพอมันเจอธรรมะคู่ปรปักราคาก็ต้องเจอกับอสุภะนะก็จะฟอ่อลงไปนะอันนี้ก็เป็นการต้านกิเลสแบบหนึ่งเป็นการทวนกิเลสเป็นการเราจะเรียกเป็นการย้อนสอนกิเลสก็ได้เวลาหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขนึกถึงความตายเรียกมรณสติ ก็เกิดความสังเว่เกิดความตื่นตหนกขึ้นมากเกิดความกลัวขึ้นมาครั้นี้ไอ้ความลหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขมันก็ฝ a l ลงไปหรือว่าถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเหรอจิตฟุ้งซ่านก็พยายามบังคับจิตกำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลมหายใจบ้างท้องพองยุบบ้างนะมันก็สงบไปทั้งหมดนี้ก็เรียกรวมๆก็เป็นการต้านกิเลสเหมือนกันนะ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 นะตรงนี้เนี่ยคนที่ถนัดกับการต้านกิเลสนะก็จะจะรู้สึกว่ามันทำยากเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ต้านกิเลสโดยเพราะคนที่ไฝ่ธรรมะนะเราก็ถูกสอนมาว่ามันต้องต้านกิเลสทานก็ดีศีลก็ดีหรือว่าการกดข่มจิตใจก็ดีที่เป็นอกุศลมันก็เพื่อต้านกิเลสทั้งนั้นแต่พอมาจะมาทำวิปัสสนา หรือเจริญสติปัฏฐานเนี่ยซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเนี่ยก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้านกิเลสเวลามีความโกรธความหกิดเกิดขึ้นหรือเอาแค่ความฟุ้งซ่านก็จะเข้าไปจัดการกับมันนะเวลามีนิวรนเกิดขึ้นนิวรนความง่วงเหงาหานอนทีนะิมิตะความฟุง้งซ่านอุทจักขุกุจจะความรังเลสงสัยนะหรือว่าการมฉันทะ หรือปฏิฆะพวกนี้เนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นกิเลสที่จะต้องกดต้องขม่มต้องจัดการแต่ว่ามันมันไม่พอแล้จะตามกิเลสก็ไม่ใช่จะต้านกิเลสตะพึ้นตะพือไปก็ไม่ถูกโดยเฉพาะในขั้นของการบาเพ็ญทางจิตที่เรียก ว, ว, วิปัสสนาหรือสติปัฏฐานถึงขั้นนี้ต้องยกระดับมาสู่การรู้กิเลสรู้ทันกิเลสแทน อันนี้เป็นทางสายกลางนะมาถึงจุดหนึ่งตามกิเลส ก, ก็สุดตรงตา้านกิเลส ก, ก็เป็นสุดตรงได้นะถ้ามาถึงขั้นเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราต้องยกจิตมาสู่เส้นทางที่เป็นทางสายกลางคือรู้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจที่จริงก็ลงไปถึงกายด้วยแม้แต่เวทนาจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตาม มาถึงขั้นที่เจริญสติหรือวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังแล้วไอ้ในขั้นสมะถะกรรมฐานนี่เรายังเราเอาเมตตามาขม่มโทสะเราเอาอสุภะมาขม่มราคะแต่ว่าพอถึงจุดที่เป็นการเจริญสติปัฏฐานที่จะเป็นบาตฐานไปสู่วิปัสสนาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะมาดูใจของเรา ดูใจอย่างเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันรู้เฉยๆโกรธก็รู้ดีใจก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้ยินดีก็รู้ยินลายก็รู้ตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรนอกจากรู้แต่ว่าความเคยชินเดิมๆเรายัง อดไม่ได้ที่จะเพลอใช้วิธีการเดิมๆก็คือไปกดไปข่มไปต้านกิเลสอันนี้เราต้องต้องลองปรับใจสมใหม่นะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มีวิธีการในแต่ละขั้นแต่ละตอนในทางพุทธศาสนาเราจะมีคำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกเราก็เรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทํามามากแล้วก็ควรจะทําต่อไปแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของ การบาเพ็ญทางจิตโดยเพราะการเจริญสติและปัญญาเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรู้ทันมันบ้างแล้วไม่จำเป็นต้องไปกดขม่มไม่จะเป็น ต, ต้องต้านกิเลสนะทางสายนี้ทางสายที่สามเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าเพราะการที่เรารู้ทันหรือว่าเพียงแต่ดูหรือเห็นมันเฉยเฉยเนี่ยมันก็มีอนุภาพมากการจะ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 อารมณ์พวกนี้มันมีกาวนะมันเหมือนกับมีกาวมีแรงดึงดูดอยู่พอเราเอามือผลักมันเนี่ยติดเลยแล้วมันก็ลากไปเหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าเราจะเข็นรถเราจะเราจะผลักท่อนสูงเนี่ยเราจะอยากจะผลักให้มันไปไกลไกแต่ว่ายิ่งผลักเราก็ยิ่งเอาตัวแนบชิดสนิทกับรถกับท่อนสุงมากขึ้นยิ่งผลักให้ห่างแต่กลับยิ่งใกล้ชิดกันเนี่ยเราลองสังเกตดูพอเราพยายามกดขมพยายามผลักไส ความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยยิ่งผักมันยิ่งโผล่มันยิ่งผุดขึ้นมาเพราะว่าที่มันเป็นงั้นก็เพราะว่าใจที่อยากจะผลักออกไปเนี่ยมันเป็นใจที่เจือด้วยกิเลสคือความโลภความอยากมันเป็นอกุศลใจหรือเจตนาที่เจือด้วยอกุศลเนี่ยเมื่อไปเจอกับอกุศลมันก็เข้าคู่กันพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเห็นนะเฉยๆเห็นกลางๆง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 จะเป็นความเครียดความโกรธความเศร้าความเบื่อก็ตามก็ถก้าเราไปเติมเชื้อให้มันเหมือนกับเราอยากจะดับมันนะแต่เราเอาน้ำมันเทลงไปแทนที่จะดับมันก็เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นวิธีการในการที่จะจัดการหรือเกี่ยวข้องกับกิเลสเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการอีกขั้นหนึ่งก็คือการรู้มันการรู้เฉยๆเนี่ยมันมีพลัง เวลาพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกเนี่ยจะเวลาถูกมานกิเลสมานหรือว่าเทวปุตตมานมามาลังควานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ท่านใช้ใบ่อยก็คือการรู้ทันหรือการบอกให้มานนั้นรู้ว่าท่านรู้ทันแล้วมานี่มันจะมาหลายหลายวิธีนะในพระไตรปิฎกหมวดที่ว่ามาลสังยุตีิจะรวบรวมอุบายของมาน ตั้งแต่มาหลอกให้กลัวเช่นมาปลอมเป็นพยานนาคเป็นเสือเป็นแผ่นดินไหวเพื่อให้นักปฏิบัติกลัวเลิกปฏิบัติหรือว่าจะมาล่อหลอกให้เควออกอุบายให้เควเช่นขณะที่พระเจ้ายัางบำเพ็ญบำเพ็ญธรรมอยู่เลิกละทุกข ก, กิริยาแล้วมารก็ยังมาชวนให้เจ้าชาสิท ธ, ธัตถะหรือว่านักบวชสิทธัตถะเนี่ยเข้าหาทุกขลกิริยา บอกว่าทางนี้ถูกแน่แต่ว่านักบวชสิท ธ, ธัตถะนีก็ปฏิเสธเพราะรู้ว่าไอ้นี่เป็นอุบายของมารบางทีกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่มารบอกว่าเนี่ยท่านมีบุญมากแล้วท่านสะสมบุญมากแล้วท่านจะปฏิบัติไปทําไมเนี่ยมารม า, ม า, ม, า, ม, ามาหลอกอย่างนี้นะพระติจ้าซึ่งตอนนั้นยังไม่ไมไมตัดสรู้ก็บอกว่าเราไม่ได้ป ร, ป ร, ราปรถนาบุญมารเรารู้จักเจ้า ให้เจ้านี่ไปหาไปหาคนอื่นที่ยังปรารถนาบุญเถิดนะคือผู้เจ้านี่ถึงจุดหนึ่งถ้าไม่เอาแล้วนะบุญกุศลนนะ่ะท่านจะมุง่งเรียกว่าตัดสรุคือเหนือบุญเหนือเหนือบาปแล้วแม้แต่ตัดสรุแล้วนี่มารก็ยังมาชวนให้ผู้เจ้าเนี่ยกลับไปคล้องลาชมาในรูปรักษณ์ต่างๆกันเช่นเป็นพราหมณ์ บ, บ้างเป็นดาบดบ้างนะภาษาวกก็เหมือนกันก็โดนมานี่มามาหลอก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 เจ้าอย่ารู้นะว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้แหละมารพอลั่วพระโมกขารนะรู้ทันนี่มันเสียใจเลยนะเสียใจพระโมกขารนะรู้จักเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี่คือเพียงแค่รู้ทันหรือเพียงแค่รู้ว่าคือมาร น, นะมา น, นี่ก็ลาถอยเสียใจว่าพระตถาคตรู้จักเราแล้วแค่นี้แหละดังั้นการรู้การเห็นเฉยเฉยนี่มันมีพลัง มันมีพลังมากมันมีพลังพอที่จะทำให้มาเนี่ยล่าถอยไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์รู้ด้วยอะไรก็รู้ด้วยสติความเราลึกได้นั้นเวลาเราเกิดอารมณ์อกุศลอะไรขึ้นมาเนี่ยที่แล้วมาเราก็จะต้านจะต่อสู้จะพันตัว อ, อันนั้นมันเป็นวิธีการที่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่พอสำหรับวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะต้อง มาถึงขั้นที่รู้ทันรู้ทันและสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะว่าเรามีอยู่แล้วความสามารถในการที่จะรู้รู้ใจรู้ความเป็นไปในใจเรามีอยู่แล้วก็คือสติอย่าว่าแต่พวกเราซึ้อเป็นนักปฏิบัติเลยแม้แต่เด็กเนี่ยเขาก็มีอย่างนี้อยู่นะมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะลูกอายุแค่สามสี่ขวบเนี่ยวันหนึ่งก็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 สิ่งที่แม่ทำคือและแม่ทำเนี่ยแม่แม่ไม่ได้สอนลูกให้ต้านกิเลดให้ปฏิเสธความรู้สึกของตัวให้กดข่มความเกลียดแต่แม่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้ให้เด็กเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความโกรธพอเด็กเห็นปุ๊บอ่ะสติเกิดขึ้นอาความเกลีดยดค่อยค่อยหายไปมีแม่คนนึงเนี่ยก็เล่า ค, คล้ายกัน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 ก็พูดกับลูกว่าน้องเพลงเสียใจเนอะนะน้องเพลงเสียใจที่กบตายเนอะพูดไปน้องเพลงก็พยักหน้าเสร็จแล้วแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆกับลูกเงียบๆไม่ได้บอกลูกเลยว่าอย่าเสียใจนะลูกมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา <laughs> พูดงั้นไม่มีไม่มีรู้เรื่องกับเด็กนะ <laughs> ก็เพียงแต่ให้ให้เด็กเขารับรู้ความรู้สึกของเขาโดยที่แม่ก็เป็นตัวสะท้อน พอแม่พูดอย่างนี้เขา เ, ออเด็กก็ค่อยเห็นความรู้สึกของตัวว่ากําลังเสียใจอ๋อเสียใจเรื่องกบตายนะพอรู้เนี่ยสติไอความรู้สึกตัวกเกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นให้ความเสียใจมันก็บรรเทาแล้วค่อยๆหายไปอันนี้คือแม่เนี่ยเขากําลังสอนลูกให้รู้ทันกิเลสให้รู้ทันอารมณ์อกุศลโดยไม่รู้ตัวหมายถึงโดยที่แม่ไม่รู้ตัวซึ่งนี่ก็คือเป็นวิธีการแบบพุทธ ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการให้เด็กเนี่ยต้านกิเลสนะซึ่งก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่ใช้ได้เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติหรือความรู้สึกตัวเท่าไหร่แต่วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ใหญ่หรือกับเด็กโตเพื่อนคนนึ่งเล่าฟังวันหนึ่งลูกสาวอายุสบก็มาขอเงินแม่ถมว่าจะซื้ออะไรบอกจะซื้อไมโครโฟน แมนที่พอกดปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะร้องเพลงเหมือนกับว่าเราร้องเพลงได้แม่ก็ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อยบาทแม่ตกใจโอ้หมันเยอะนะสี่ร้อยบาทเนี่ยแต่ลูกก็ลบเล้าให้ได้นะแม่ก็ไม่ค้าลูกนะแต่แม่ก็ต่อรองกับลูกว่าแม่จะซื้อให้ลูกนะดยเงื่อนไขสองอย่างหนึ่งแม่จะหักเงินลูกค่าขนมวันละครึ่งหนึ่ง แล้วก็จะหักจนกระทั่งครบสี่ร้อยบาทแล้วถึงห้อยให้เงินเนี่ยไปซื้อให้ให้ลูกไปซื้อข้อสองสำคัญสำคัญกว่าก็คือทุกวันนะลูกนะให้ไปดูไมโครโฟนอันนั้นอันนั้นที่ลูกอยากได้นะให้ไปดูแล้วก็ดูใจของลูกด้วยว่าความอยากอยากได้ไมโครโฟนมันเป็นยังไงบ้างลูกไปดูได้สี่วันลูกก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาละไม่ซื้อแล้วอา้าวทไมอะ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 ตัดลาคายก็ให้ให้เงินลูกไปเลยอันนี้ลรว่ตามกิเลสหรือแม่ก็ต้านกิเลสว่าลูกอย่าซื้อให้มันไม่ดีมันแพงแต่แม่คนนี้เขามีอุบายก็เอ อ, ซ, อซื้อก็ซื้อได้นะแต่ว่าให้ลูกไปดูไปดูของแล้วก็ดูใจด้วยมันก็เป็นธรรมชาติของของจิตอยู่แล้วพอมีสติเข้ามาดูใจเนี่ยมันก็จะเห็นเลยไอย้ความอยากมันไม่เที่ยงแล้วคือถ้าไม่ดูเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว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 ก็สามารถจะฝึกให้เด็กเขามีสติได้ดีนี้มันมีวิธีการหลายอย่างนะซึ่งผู้ใหญ่ก็ใช้ได้อย่างเช่นโกรธเนี่ยนะโกรธลูกโกรธนะพ่อแม่ทํำยังไงพ่อแม่ก็จะถามว่าลูกโกรธใช่ไหมลูกก็บอกใช่โกรธแค่ไหนนะเสร็จ แ, แล้วก็เอาสีมาระบายโกรธแค่นี้ใช่ไหมระบายเอาสีระบายลงไปในกระดาษโกรธแค่นี้ใช่ไหมลูกบอกไม่ใช่มันโกรธมากกว่านี้ก็ลูกก็เอาสีแล้วเลงเข้าไปใหญ่เลย ในแง่นึงนก็เป็นการระบายความกรวัวแต่แง่ายๆหนึ่งมันทําให้เด็กเขาเห็นความกรัวของตัวเองโอ้โหมันมันเป็นยังไงไอการระบายสิมันได้เห็นความกลัวเป็นรูปรธรรมเลยเด็กเขาก็รู้ตัวปรากิว่าพอทํามนี้เด็กก็จะสงบลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่สุดวิสัยที่เราจะทําแล้วเราก็ัจะทําได้ดีแต่ปัญหาของเราคือว่าเรามีความคิดพิสดารที่ชอบหาเหตุผล เช่นเราก็จะหาเหตุผลเพื่อมายืนยันว่าสิ่งที่เราโกรธนี่มันถูกต้องคือเด็กนี่เขามีความคิดที่ไม่ซับซ้อนใช่ไหมพอเขารู้ทันความโกรธผู้ความโกรธมันมันเพ่าลงไปเลยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ยอมให้ความโกรธมันมันทุ่เราก็จะสรรหาเหตุผลว่าสมควรแล้วที่โกรธต้องโกรธให้มากมากเพราะมันเลวมันชั่วเราจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อมาสนับสนุนความโกรธ หรือมาหาเหตุผลเพื่อมาสับสนความอยากของเราเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยแทนที่มันพอรูดพอมีสติรูดทนล้วมันจะค่อยเบาลงไปเพราะว่ามันปุ่งพล้งขึ้นมาใหม่เพราะเราไปปรุงแต่งยิ่งคนที่มีการศึกษาเนี่ยก็จะมีความฉลาดในการสรรหาเหตุผลมารองรับหรือสนับสนุนกิเลสของตัวเองเช่นอาจจะบอกว่าโอ้ เรามีเงินเยอะแค่นี้มันนิดเดียวอย่างเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่งซื้อมาได้ปีสองปีพอไปเจอโน้ตบุ๊กตัวใหม่อยากได้ขึ้นมาก็จะให้เหตุผลละโอ้โน้ตบุ๊กนี่มันดีนะมันเบานะมันเบาแล้วก็ความเร็วมันสูงคือ ท, ทั้งทั้งที่รู้นะว่ า, วาตัวเองอยากเนี่ยแต่ว่าพอมีเหตุผลงี้เข้ามาเนี่ยไอ้สติมันก็กระเจิงเลยนะเพราะความหยามก็จะมีกาลังมากขึ้น เราต้องต้องรู้ทันเหตุผลที่ถูกปรุงแต่งเข้ามาเป็นข้ออ้างด้วยรู้ทันลงไปว่าให้ที่เหตุผลทั้งหมดนี่มันกิเลสสรรหาเหตุผลทั้งนั้นกิเลสมก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าเหตุผลนั้นเกิดจากปัญญาที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยิ่งฉลาดยิ่งจบปริญญาสูงก็ยิ่งสรรหากิเลสก็ยิ่งฉลาดในการสรรหาเหตุผลมา สนับสนุนรองรับความต้องการของมันและถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสเราก็จะถูกมันหลอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่รู้ทันการที่เราจะรู้ทันจิตใจของตัวเองเนี่ยนอกจากเราจะรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไวพอที่จะสาวลงไปเห็นให้ตัวการที่อยู่ข้างหลังหรืออยู่เบื้องหลังคพรนี้การเจริญสติเนี่ยมันสาคัญ มันสำคัญยังไงคือมันสำคัญตรงที่ว่าประการแรกเลยคือมันช่วยทำให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาคลองจิตคลองใจไม่ได้ไม่ใช่เพราะผลักสายไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะรู้รู้แล้วไม่หลงเชื่อเมื่อมันสงบลงไปใจก็มีความสงบแทนที่เราไม่จำเป็นต้องกดขม่มแต่เราเพียงแต่เห็นมันใจก็จะสงบ เป็นความสงบที่ไม่จําเป็นต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คนหรือหลบลี้หนีจากสิ่งเย้าหยวนคนเราเนี่ยเวลาอยากจะสงบใจนี่ก็ต้องหนีมามาอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูโทรทัศน์ไม่ต้องฟังวิทยุไม่ดูหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวที่จะมากระตุ้นโทสะไม่มีละครที่จะมากระตุ้นโลภะหรือราคะหรือโฆษณาที่มาตุ้นกระตุ้นความอยากเราก็สงบได้ แต่สงบอย่างนี้มันสงบเพราะสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลักมาถึงไม่ปฏิบัติก็สงบได้แต่ว่าถ้าเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นยั่วยุเนี่ยนะสติสําคัญมากสติมันทําให้แม้ว่าจะมีสิ่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยแต่มันไม่กระเทือนถึงใจพราะพ อ, พอมีความอยากเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีสติรู้มันวางก็ทําให้เกิดความสงบ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 แต่ว่ายังต้องการช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงเราจะเห็นความจริงได้ก็เห็นความจริงจากการที่เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรามีสติเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นการเห็นบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบอิทธาลมหรืออนิตธารมกุศลหรืออกุศลชอบหรือชังยินดียินไล่เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ย ถือเป็นของดีทั้งนั้นคือเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของจิตเห็นธรรมชาติของนามธรรมเป็นธรรมชาติของรวมทั้งรูปธรรมด้วยเห็นอะไรเห็นความเกิดความดับของมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ว่ากุศลแอกุศลมีในแง่นี้เนี่ยมีคุณค่าเสมอกันก็คือว่าต่างไม่เที่ยงทั้งคู่แล้วก็ เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถทนอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งได้นานความสุขเวลาเราดีใจนะลองสังเกตดูเวลาเราดีใจเนี่ยหรือว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยความสุขมันก็อยู่ไม่นานความสุข ม, ม, มันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปนะความทุกข์ ก, ก, ก, ก็เหมือนกันความโกรวก็เหมือนกันความเบื่อก็เหมือนกันมันไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้นานอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกขังก็คือว่า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 แต่พอมีสติเมื่อจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะความเป็นเราเนี่ยมันก็จะก็จะเห็นชัดแล้วว่ามันมันไม่มีที่ตั้งมันเป็นการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาและสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราดูใจอยู่บ่อยๆเราเลือกง่ายๆมองตนมองตนทีแรกก็เห็นนิสัยของตัวเองเห็นความถนัดความชอบของตัวเอง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 ด้วยใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่ากุศลอกุศลนะไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าชังหรือชอบเปิดรับเสมอกันไม่ลังเกียจไม่ผักใสแต่ก่อนนี่มันผักใสแต่ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะไม่ผักใสมองด้วยใจเป็นกลางๆงท่านติดนันธันเนี่ย ท, ท่านเป็นพระเซนชัยเวียดนามท่านก็ใช้สำนวนนะคือคนเราเนี่ยคนที่ติดดีเนี่ยมักจะไม่ชอบความโกรธ ไม่ชอบความเกลียดท่านก็สอนบอกว่าให้หัดอบก่อความโกรธดูมัง่งอบก่อด้วยละไรอบก่อด้วยสติเป็นสัมนวนเพื่อให้เราเนี่ยไม่ผักใสตามความเคยชินตามนิสัยติดดีของเราติดนิสัยติดดีก็คือว่าโกรธไม่ดีเกลียดไม่ดีนับปฏิบัติโกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แต่พอเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรายอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงก็เห็นว่อันนี้ไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเกลียดมันเป็นมันเป็นใจที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา เวลาใครมาตําหนิถ้าไม่มีสติก็โกรธแต่ถ้ามีสติก็รู้ออมีความโกรธเกิดขึ้นมีความรู้สึกเสียหน้าเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธมันไม่ใช่เราเสียหน้าแต่ถ้ายังมองไปถึงตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็อย่างน้อยก็มองให้เห็นว่าโอ้เนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นกิเลสมันทุกไม่ใช่เราทุกเวลาทําอะไรเสียหน้าแล้วก็รู้เลยว่าโอกิเลสมันเสียหน้ากิเลสมันทุกไม่ใช่เราทุก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 มันเป็นรูปที่มันปวดหรือกายที่ปวดคือถ้าพูดจริงๆแ่้วกายก็ไม่ปวดนะกายมไม่รู้สึกหรอกแต่มันเป็นเวทนาอีกตัวหนึ่งทางพุทธศาสนาเลยแยกมาว่าเป็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเพื่อเห็นว่าเวทนานี่เกิดตัวหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นกายที่ที่ทุกข์นะแต่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นมาแต่ใหมๆ่ๆเราก็ยังไม่ต้องไปแยกแยๆขนาดนะั้นเราก็พูดรวมๆไปก็กัเออเห็นกายมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์เห็นกายมันทุกขนะ์ มันโกรธไม่ใช่เราโกรธใจมันโกรธอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มันก็จะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาคือเห็นความจริงความจริงที่ไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความทุกข์น้อยลงเพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราคืนให้รูปและนามไปคืนให้ธรรมชาติไปตะก่อนนี่โง่แต่ก่อนนี่หลงก็ไปเหมาเอ า, เอาความทุกข์ของรูปและของนามว่ามาเป็นของเรา แล้วบางทีก็ไปเหมาเความทุกข์ของกิเลสเป็นของเราด้วยกิเลสมันโมโหกิเลสมันโกรกกิเลสมันเสียหน้า <Ng hi. S 2> ก็ไปเห ม, มาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราว่ากูโกรธนี่เราโง่แท้ๆนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปและ น, นามหรือว่าความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของกูแต่พอเรามีสติรู้เราไม่เราไม่แบกแล้วเราไม่นั่นแล้วเราไม่เหมาให้เหนื่อยเปล่าๆแล้วเราวางเราคืนคืนให้เจ้าของเดิม คือให้เจ้าของเดิมคืนความทุกข์ให้รูปและนามไปหรือคืนความทุกข์ให้ธรรมชาติไปจะคืนความทุกข์ให้กิเลสไปก็ได้นะอันเนี้ยให้การที่เรามีมีสติรู้มันก็ช่วยทําให้กิเลสมันเบามันดับไปบางคนก็จะถามว่าทําไมโกรธแล้วทาไมยงังทั้งที่รู้ว่าโกรธทําไมยังไม่ยังไม่ดับอันนั้นเพราะมันยังไม่ใช่สติที่กล้าแข็งคือสติมันเกิดขึ้นมาแว บ, บเดียวแต่มันไม่สติที่ ตั้งมัน่นพอรู้ว่าโกรธปุ๊บมันมีความรู้สึกเจือปนอยู่ medi, ลึกๆว่าอยากจะให้ความโกรธดับไปอยากให้ความโกรธหายไปหรือเกิดความโกรธเกิดโทสะต่อความโกรธสังเกตไหมมันเกิดโทสะต่อความโกรธมันเกิดโทสะต่อความหงุดหงิดเวลาหงุดหงิดเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจความหงุดหงิดเวลาเกิดความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจความโกรธมันโกรธซ้อนโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโกรธมันจะหายไปได้ยังไง ในเมื่อสติที่เรามีมันเป็นสติที่ไม่ใช่บริสุทธิ์ล้วนๆแต่มันเจือไปได้วยความโกรธเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าให้โกรธแล้วทำไมยังรู้ตัวแต่ถ้า ไ, ไม่หายโกรธเพราะมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์มันเจือด้วยโทสะต่อความโกรธนั้นๆก็เท่ากับเติมหรือโยนสร์น้ามันเข้ากรองไฟแล้วมันจะหายไปได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเรามีสติ ที่บริสุทธิ์ล้วนๆที่ทำให้จิตตั้งมัน่นะจิตตั้งมั่นก็ไม่ถลําเข้าไปหรือว่าไม่ไปปรุงให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะไม่มีไม่มีโทสะเจือปนอยูนะ่มันก็จะดับได้ง่ายหรือว่าผู้ยานคือมันดับแล้วมันไม่เกิดขึ้นมา